ก็นั่งไปปฏิธรามกัน <c oughs> ก็ทีนีเป็นสำนักที่ห <c oughs> ลมงพ่อเขียนสวนโน่นเป็นประธานสงฆ์มีอาจารย์ไปสารบ้รจาว่าพวเราทุกคนก็ได้ยินกีรร่สั เราหรือได้ฟังเทศฟังธรรมดูสื่อบางทีก็ได้เคยปฏิบัติกับท่านผมราตมาเคยปฏิบัติกับท่นบานบันปี2526ายีบีิเจ็ดที่เชียงใหม่ก็เห็นว่ามันเป็นจริงถึงวันหนึ่งเรามาที่นี่ ได้แรงสัตย์ได้ความเชื่อว่าทำตามที่ท่านพูดเราก็จะไม่ทุกข์จริงๆราทีเราใช้ชีวิตไปตามกระแสสังคมเราก็หลงลืมลืมเนื้อลืมตัวคิดมากสับสน ก็กลัวกับสังคมกับการงานกับสุขภาพต่างๆถึงวันหนึง่งเราก็ตบตัวนพิจารณาใครควรเห็นว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่า น, นั้นอีกมันไม่ใช่ต้นแล้ว่าจนตรอกเราก็ได้อาศัยการได้ยินได้ฟังการได้ คเคมีประสบการณ์เราก็ตามรอยนั้นต่อไปพัฒนาอะไรคือความรู้สึกตัวอะไรคือสติคือศีลสมาธิปัญญาเราก็มาใกล้ชิดกับศีลกับธรรมกับผู้รู้วัดป่าสกตโตจงอยู่ในหัวใจรอยของว่างเขียนยังอยู่ในหัวใจ รูปแบบปฏิบัติวิธีปฏิบัติจริงอยู่ในหัวใจเราก็จึงมารวมตัวกันทีน่นี้เราไม่ได้มาเป็นเจ้าสํานักนะเราไม่ได้มาเป็นเจ้าลัทธิแต่เรามาเป็นนักเรียนนักศึกษาเรามีฐานะเหมือนเหมือนกันก็คือเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันเพื่อนร่วมห้องจะเป็นนักเรียนในเครื่องแบบเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะเป็นนักเรียนนอกเครื่องแบบคารวาเจ้าโยม มันก็เป็นสิ่งเดียวกันก็คือมาเรียนรู้ความรู้สึกตัวแล้วเราก็เริ่มต้นที่จะมาลงมือกระทำให้เกิดประสบการณ์ตรงของกายของเรากันหน้าวันแรกที่มาเยียบที่วัดป่าสุขโตกันเราไม่ได้มาด้วยประเด็นอื่นเป้าหมายอื่นเรามาเพื่อที่พัฒนาเชื่อว่านิพานมีจริงก็เดินใกล้ที่สุดกับปานิพาน หว่าเดินให้ถึงให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะลมหายตายสูย์ไปเราจงอาศัยบรรยากาศของกาลยานิทกาลยธรรมกาลยานมิตรก็คือเป็นมิตรแท้เพื่อนตายกันมันแบบไหนเรื่อมิตรแท้เพื่อนตายเราก็อยู่ตามหน้าที่ตามสมมุติบัญญัติมีพระสงฆ์องค์เจ้าสมมติบัญญัติ เราต้องแต่งเครื่องแบบอย่างนี้แหละนะมีสาานาชีพรามนะก็ต้องแต่งอย่างนี้แหละนะคนหัวคนคิ้วนะุ่ชุดขาวคารวะญาติโยมก็ต้องทำอย่างนี้แหละมาสมวันเจดวันสิบห้าวัน4ี่สิวันหนึ่งเดือนรู้อยู่ไปเรื่อยๆนะเราต้องอยู่ในฐานะของนะสมมติบัญญัจิแต่ว่าก็เป็นมิตรนะเป็นกิลยรรมมิตรกัน กระยรามหมายถึงธรรมชาติที่มันช่วยส่งเสริมให้เราเดินทางไปสู่ความสุขความฉลาดจนเห็นความจริงจริงๆว่าออนะกฎของธรรมชาติทำดีก็ดีทำไม่ดีมันก็ไม่ดีทำกรรมฐานอยู่เหนือดีเนือช่วยเราก็ลงมือกระทำกันในสิ่งแวดล้อม ใช้สมมติบัญญยติใจวินยัยนะใช้การกระทํารูปแบบปฏิบัตนะิเราอยู่ในวัดนะเราก็ไม่เอาประเภทมือถือสากปากถือศีลอย่างนั้นไม่เอาเราก็ทํายังไงได้กับผูดกันไปอย่างนั้นทำนะอะไรเป็นเราก็แสดงออกกันอย่างนั้นนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันกัลยาณธรรมนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวมีสติ ตัวใครตัวเรา αι, เราคุ้มของตัวเรากันเองเพะเราจะไปอาศัย αι, จิตใจผู้อื่ น, น αι, เราก็ไม่รู้หรอกใจเขาเป็นยังไง αι, มีคนที่เขาเจ้า บ, บทเจ้ากรอ น, น αι, ชื่อสุนทรผู้เคยแต่งไว้ชัดเจนว่า αι, อันอะไรอย่าไว้ใจมนุษย์มันที่สุดลึกลําหรือกําหนดน αι, อันทวันพันเกี่ยวดูเลี้ยวลถยังไม่คดเท่าหนึ่งในน้ําใจคน ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจต่างคนต่างภูมิชาติกำหนิดต่างวุธิภาวะคุณวุฒิวยวุฒิต่างสกุลลุญชาติฐานะอาฐานะต่างๆเพราะนั้นมันมีจริตนิสัยกันมานถ้าถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วมันจริตเดียวกันเดี๋ยวพุทธิจริตมันไม่มีการไม่มีแย่งล็อกการเ่อนการไหวเดินโยมรู้สึกตัวพระเป้าหมายเดิมที่ก่อนมามันชัดเจน มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะจนทำมันได้ความหมายของชีวิตขึ้นมานะความหมายของชีวิตก็คือนะเราเคยนะก๋วยกอไก่อย่างไรนะก๋วยกอไก่ก็ไข่ในเล้าคือเริ่มต้นแบบฝึกหัดนะอนุบาลเราก็ไม่ลืมหรอกอนุบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนุบาลไม่มีวันนี้นะเป็นเบื้องต้นเป็นน้ํากลางนะแล้วมันก็เป็นท้ายสุดก็คือเล่าหนาของ ความรู้ความสามารถนะใส่สภาพทางจิตที่มันก็คือความรู้สึกตัวนะการดูกายไม่ใช่รูปแบบนะแต่ใช้รูปแบบนอกจอากจะเป็นโนรบาลแล้วมันยังนะเหมือนกับว่าการเดินทางทําให้เกิดศีลนพะระตาปรามาสนะก็คือเรื่องหนังการยึดนะที่เป็นศีลพุทธศีลวัฏฏปรามาสก็คือ เอาถูกเอาผิดเอาความเชื่อจนกทั่งกลายเป็นความขัดแยง้งทะเลาะระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือว่าไปในของตัวเองต่อตัวเองบางทีก็ทาํ า, า, ทาททเพราะว่าหมู่มากให้ทําบางทีก็ไม่ทําเพราะว่าหมู่มากบอกว่าไม่ใช่ทําบ้างไม่ทําบ้างอันนี้แหละสําหรับผู้ที่เ่อนไหวรู้สึกเดินจนกลมจนกทั่ง เหน็นอารมณ์ชัดมันก็จะได้คาตอบมันก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกแต่เพียงแค่ว่าแทนที่จะเป็นความรู้สึกขณะที่การเคลื่อนไหวของกายหยาบๆยาบแสดงออกมันกลายเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการคิดนึกปรุงแต่งนะการที่ความคิดเกิดขึ้นมานะการเคลื่อนการไหวของจิตมันก็รู้สึกตัวเหมือนกันนะเรือง บ, บางทีไม่ต้องเคลื่อนไหว มันเป็นอาการของร่างกายที่มนะีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติมันก็เกิดบทเรียนขึ้นมาก็คือมีความรู้สึกตัวเหมือนกันใหม่ๆมันเหมือนกับมันรู้สึกยากแต่พอทำไปทำไปมันกลายเป็นเรื่องของความชัดเจนขึ้นมานอนอยู่นิ่งๆพลิกซ้ายพลิกขวามันก็รู้สึกตัวว่าแรงกดทับขณะที่เรานอนเรานั่งขนาดนี้ก็ทำาก็รู้สึกตัว มันจึงเกิดความรู้สึกตัวทั่วสัตพางกายขึ้นมานะรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมานะตรงเนี้มันก็เลยไปเรื่องที่เราศรนะัทธามีความเชื่อนะในความรู้สึกตัวมีธรรมะมีธรรมที่เป็นกิริณธรรมนะเกิดขึ้นมาเป็นการอุปัตตะว่าได้นะโอปปาติกะนะเป็นลักษณะของการปุดเกิดขึ้นมานะเกิดดบเกิดดาบเกิดดาบตียิบนะ รูปตามนามธนะรรมรู้ก็เป็นธรรมชาตินามก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะด้วนะ่าตัวความรู้สึกตัวสตินะปัะฐานที่เรารู้รู้อยูนะ่อันนี้เป็นธรรมที่ให้คุณสูงสุดอุปการะสูงสุดนะสติคือการ ร, า ร, กรู้รูนะ้สัมัญญาคือรู้ตัวตัวเพราะมันมาด้วยกันมันมีสติปัะธานมันก็มีสัมัญญนะมันมาด้วยกันแบบนั้นนะจะดังพระบทใหม่เนี่ยต้องเรียนรู้ก่อนเลย การมีสติการฝึกสติท้องไปในกายลนะักษณะของตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนะท้าจะลดหัวนะ <S 2> <S 2> เป็นเรื่องความพึกตัวตัวพร้อมนะ่นะเลยว่ายิ่งเรามาเคลื่อนไหวย่างหยาบ ม, มันก็รู้ชัดนะขนาต่อขน า, ขนาจังทำให้เกิดความบ่องไวเป็นไวพิปิพานขะึ้นมาเป็นอาการของนะธรรมชาติ เี็นพาไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ก็คือตัวกล้งที่มีสติมีความรู้สึกตัวจิตก็ปกติขึ้นมาเป็นคุณภาพเป็นอนิสงนะ์เป็นผลของการทําถูกนะปฏิบัติถูกนะมันก็ตกไปสู่ฝ่ายที่ไม่เสื่อมเป็นการเดินทางที่ชัดเจนเหลือเกินนะความเป็นปกติของจิตกรพึ่งได้ทันทีนะเคยสุขเคยทุกข์เมื่อกลายเป็นว่ารู้แล้วว่าถ้าสุขนะหลงสุขมันก็ทุกข์อยู่ดี เคยทุกหลงไปในความทุกขจมทุกมันก็ไม่ใช่ลักษณะของการเดินทางมันต้องผ่านเห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกแล้วก็ก้าวล่วงออกจากความทุกขไดเ้เป็นทั้งสติเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาสติก็คือลักณะของระลึกรู้อยู่พอระลึกรู้เป็นสติปัฐานศีลก็ปรากฏเป็นปกติอยู่รู้แล้วมันไม่ สนกตกใจตื่นตูมหรือว่าวันไหวเสียสันหลังหรือว่าเป็นลากาณสะดุ้งวหวาดผวามันดูมันรู้ซื่อมันเห็นเฉยเฉยร็จแล้วมันก็แนบแน่ น, นในการที่ดูว่าสิ่งนั้นนะ <c oughs> คืออะไรจนเห็นเหตุหแห่งทุกข์ดูแบบให้วางตาดูแบบฌา น, น, น <ะ S 2> ก็คือพักอยู่ตรงนั้นดูนดูดูไฟดูคลื่นในทะเล มาแล้วลอกแล้วแล้วลอกแล้วแต่ว่าไม่เปียกไม่ต้องโดนขึ้นซัดดําปุดดําโปรฉชันใดก็ดีการเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นก็คือไม่ต้องทุกข์ไปกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์เกิดดับเกิดดับอันนี้คือกำลังของสมาธิจงทั้งเห็นว่า <c oughs> มันไม่ใช่เรา จนทั้งผ่านออกมาได้ก้าร่วงออกมาได้มันไม่ใช่เรามันก็วางนะวางไม่ยึดไม่ถือไม่มีอุปท า, านนะไม่เกิดตันหาแต่ยันอยาก็ข้าไปชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนะก็อุปท า, านขึ้นมายึดนะท้ายสุดก็คือเป็นจริตเป็นนิสัยนะผ่านไปแล้วก็ยังเก็บเอาคิดอยู่นะพออมประทับไว้นะเป็นล่องรอยไปในจิตใจของเราลอยมีกินในหินนะ ตายก็ไม่ลืมรอยมีดขึ้นในน้ําเงี้ยหายไปแล้วหายไปแล้วกิตปั๊บหายปุ๊บ ก, กิจปั๊บหายปุ๊บเกิดขึกก้นมาผ่านได้เกิดขึ้นมาผ่านได้มันก็ได้คําตอบเป็นตัวปัญญาทันทีมันก็จะไม่สงสัยวิจิกิจจานสงสัยว่าคืออะไรกันอะไรกันอะไรเป็นสติอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญานมันไม่สงสัย อะไรคือความรู้สึกตัวอะไรคือรูปตามนามทำอะไรคือนะขันใหนะ้มันกลายเป็นความนะเขาอกเข้าใจขึ้นมาจากการสัมผัสตรงๆนะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนการไหวมันคือการเดินทางนะจึงไม่ต้องมีการเถียงกันว่าในรูปแบบนอกรูปแบบนะมันล้าสมัยมากๆ ม, นะมันเป็นเรื่องที่นะมันยังสงสัยอยู่แล้วก็ยิ้มนะ เวลาคนก็บอกว่าในรูปแบบถูกเราก็ยิม้มนอกรูปแบบถูกเราก็ยิม้มมันก็ถูกทั้งหมดถูกที่สุดก็คือการรู้สติการรู้ว่ามันมีสติอยู่ปกติอยู่ฐานของจิตฐานของสติดูจิตนี่ไงการที่สติยึดสติมันกลายเป็นความหลงได้เหมือนกันอุปทานอุปทานก็คือการที่ยึดสติจนกระทั่งมันหลงเข้าไปในสติยึด กลายเป็นสติถูกสมาธิมีไม่ได้ถึงสติมันจะนําสมาธิจะตามแต่ท้ายส่วนคือตัวเดียวกันในความรู้สึกตัวมันมีสติในความรู้สึกตัวมันก็มีสมาธิในความรู้สึกตัวมันก็มีสัญผัสในความรู้สึกตัวก็มีปัญญาในความรู้สึกตัวมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความรู้สึกตัวคือกายเวียนแล้วก็จิตแล้วก็ทำเป็นความรู้สึกตัวน แต่วความรู้สึกตัวมันเป็นภาษาไทยนะรูนะ้อันนี้คืออาการนะลักษณะของตัวรู้นะก็คือตัวสตินั่นแหละสนะติตาในมันรูนะ้มันดูมันก็ต้องเห็นน่นะสึกก็คือการสัมผัสกระทบนะเมื่อรู้ถึงการกระทบนะอันนั้น มันก็จะมีอาการการกระทบนะของสุขของทุกของกีรเลสของตัวรู้ตัวหลงมันก็กระทบอยู่สัมผัสอยู่นะเมื่อเรารู้ทันการกระทบสัมผัสตอนนั้นเราคือสึกเมื่อกระทบสัมผัสมันก็มีปรากฏการปฏิยาสึกเกิดขึ้นมาเรียกว่าสึกหลอกก็ไดนะ้การที่จะสึกหลอมีการกระแท้กระทท้นมันสึกหลอตันภาษาภาษาไทยอย่างนี้นตัว ก็คือเป้าหมายนะของสิ่งที่ถูกรู้ตัวไหนนะตัวกายตัวจิตรูปตามนำทำนะฮะเพราะนั้นเป็นตัวปัญญาถ้ารู้แล้วรู้ถูกนะรู้เป็นปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าคืออะไรจนกระทั่งเห็นว่านะไม่ใช่เราอันนี้เราเป็นปัญญาพุทธะนะมันก็จะผ่านทันทีว่าไม่ใช่เรามไม่ควรยึดไม่ควรถือนะกลายเป็นเรื่องของการนะหลุดพ้นขึ้นมา มีกายมันก็พ้นจากการแก่การเจ็บการตายธาตุสี่น้ำไฟดินลมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องปนป่วนจิตใจของเราเป็นหน้าของถ้ารู้ทาดว่างมันเจ็บมันเจ็บใจเจ็บใจปานไฟไหม้เจ็บกายปานไฟไหม้เจ็บใจปานฟ้าผ่าเวลาเจ็บใจปานฟ้าผ่ามันเปลี่ยงเปลั่ อยู่ข้างในนั่นะแหละตอนนั้นมันก็ถูกรู้ถูกเห็นนมันก็เป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องของเหตุของผลที่มันเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติมันไม่ใช่เราควรยืดเกินถือนะควรที่จะเอามาจะทั้งกลายเป็นเรื่องแบกโลกทั้งใบเอาไว้มันก็จะผ่านแบบนั้นแนะนั่นะก็คือตามความรู้สึกนะที่มันพูดไปเป็นการ ทบทวนรนะ่องรอยของการเดินทางนะที่เรามาอยู่ที่นีนะ่ก็มาอยู่ประมาณอยู่สิบสี่ปีปีนี้ก็ปีที่สิบสี่พรรษาคือความรู้สมันมีอะไรบางอย่างนะที่มันเกิดขึ้นมาจากการที่เรารู้สึกตัวนะบางทีมันก็ไม่ใช่ภาษาที่เราจะพูดออกไปเนะนะพราะยิ่งพูดก็ยิ่งเป็นสมมติบัรจัตรนะต่าการที่มันชัดอยู่ภายในตรงนั้นะนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ เป็นเรื่องปัจจต่าของกายของเราแล้วสามารถที่จะแสดงออกได้ออกได้ทางลักษณะของการเกี่ยวข้องกันซึื่งกันละกันวัถหนึ่งสองสามหรือว่าบุคคลหนะึ่งสองสามเกี่ยวข้องกับรูปาำนามทำหน้าที่สมมติบัญญัติต่างต่างตั้งแต่ตื่นเช้ามาแล้วก็เกี่ยวข้องกับการลุกขึ้นมาพับผ้าการล้างหน้าล้างตาแปรงฟัน เราเห็นอยู่ตลอดการเคลื่อนไหวไปมาการเดินมาทำบัตสุดมนต์การที่เรานะนั่งอยู่ขนาดนี้ก็ตามลูปนามกันหานาะตัวรู้ที่มันรู้สึกตัวการปรากฏชัดขนาดต่อขนนะอันนี้มันก็คือความรูนะ้ที่มันเกิดจากการสัมผัสรู้นะจนทังไอ้สัมผัสเนี่แหละมันเป็นคำตอบนะสัมผัสกับ ภพภูมิต่างๆมันคืออะไรอบายุพรมันคืออะไรเปรตสนนโลกมันคืออะไรอสุรกายอายภูรมนั่นคืออะไรมันก็ถอดรหัสขึ้นมาได้นะมันจึงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนก่อนตายหลังตายนั้นเป็นอีกเรื่องเลยเหตุนั้งนั้นจริงๆการที่เราไปพูดว่าก่อนตายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลังตายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่านี้นะอันนี้ มันอาจจะเป็นการด้นเดาหรือคาดการณ์คำนวณคำนึงแต่ให้สิ่งที่ปรากฏอยู่ขนะดาษนี้เห็นชัดขนาดนี้คืออะไรเช่นระบอกถึงว่าพบภูมิของสัตว์เดชานคืออะไรมันมันบอกเลยว่าระหว่างความเมตตาความเมตตาที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราที่เราจะต้องเมตตาศัลสาลาสิ่งสรรเสริญสรรเสรนญไม่ทั้ง ตัวเราเองเราก็ต้องรู้จักสงสารตัวเองนมันเป็นความเมตตาทีนี้ไอความเมตตาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องของเมตตาที่ละเอียดอ่อนลงไปจนทั้งเป็นอ ป, ปิมัญญาศสะละสิ่งต่างๆอันเนี้ยบางทีเราทะเลาะกันเรากวดการเราบอกเออเราเมตตาเราสงสารเราให้อภัยหมดแล้วยังไงนะเราพูดนะปากเราพูดได้นะ แต่ลึกๆในจิตในใจของเรามันอาคติผมเห็นหน้ามันจะพึดขึ้นมาเลยได้ยินเสียงจะฟึดขึ้นมาเลยนะบางทีเช่นอาตมาเทศนะบางคนอาจจะเฮ้ย hey, พระรูปนี้ไม่ชอบนะบอกตรงเลยนะจะเดินออกไปเลยนะสมาติฆ่าทันทีนะจิตธรมาติฆ่าทันทีนะวะรักษาหนี้เรียกว่าสัพเดลฌานเพราะอะไรรู้ปะเพราะมีอาคติอยู่ลึกๆนะอคติอยู่ลึกๆฉะนั้นการฟังธรรมนี่ ต้องทำใจเลยนะฟังใครก็ได้ฟังธรรมฟังเตสเนี่ยเสียงนั้นคือเสียงใครก็ได้สัตรู ห, หรือเกลียดเราสู้ๆเราสามารถที่จะฟังได้โดยใจที่ไม่ใช่กดข่มแล้วเก็บกดนะเพราะเราเก็บกดกดขม่มเราอาคตินะดีแล้วก็ไม่ชอบดีแล้วก็ไม่เอาเรียกว่าเดลัชชานนะบอกเลยนะี่แหละคือพบปมของเดรัชชานกล้าฟันทงชี้เลยนะราพผิดชอบคําพูดแน่นอน มันขวางตลอดดีก็ไม่เอาดีก็ไม่ชอบเพราะว่ า, าคติลึกๆอยู่กับคนคนนี้แหละเคยเป็นไหมเมตตาอัปปมัญญาแต่ท้ายสุด ก, ก, ก็คือลึกๆก็คือเหม็นหน้าอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะคร น, นี้จะถอดรหัสไอ้นี้ให้รหัสของที่เรียกว่าการที่เราปิดศินแล้อสามเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องของต้องปีนต้นงิ้ว ในความรู้สึกของอาตมาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าโอ้มันใช่อย่างนี้จริงๆว่าการที่เราปีนต้นงิ้วนะก็คือระนาบผิดศีลก้อที่สามมันกังวล น, นะการที่หนึ่งคนสามีหนึ่งคนมีภรรยาสองคนสามคนสี่คนหรือว่าผู้หญิงหนึ่งคนมีผู้ชายสองคนสามคนสี่ค น, นที่เขาเรียกว่าปีนต้นงิ้วปีนต้นงิ้วมันต้องรอหลังตายขณะนี้มันก็เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเรามันถอดรหัสเมันคืออะไรกันเนี่ย อา้าวมันเห็นเลยนะขณะที่หนึ่งคนมีสองคนเนี่ยหนึ่งต้องแบ่งเวลาสองคนก็จะต้องอิจฉาริษยาอยากได้เวลาก็ยามต่อรองขอเวลาก็นี้คนหนึ่งคนก็ต้องทำหน้าที่ต่อตัวเองต่อการงานต่อสังคมก็ต้องเอาไปให้กับนนคนสองคนแบ่งวันกันเช้าสายบ่ายค่ำกันถึงสุก แบ่งเวลาเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เพราะสองคนจะเกิดความหวัดระแวงทันทีก็ถึงบอกว่าสามคนตามตำราว่าสามคนดีสองคนไม่ดีตมม้องมีมีสามคนแต่ท้ายสุดมันกรลรวมหัว่ากันนสมบัติให้ฟังการ น, นี้ลักษณะของการแบ่งเวลาทําให้เราไม่มีเวลาของตัวเองหนึ่งแล้วนะสองก็คือเรื่องของการเงินนะ การเงินมหามาได้ก็ต้องแบ่งคนนั้นยาวเท่านั้นคนนี้ยาเท่านี้มีบ้านมีรถนะจะต้องแบ่งกันอย่างนั้นอย่างนี้อีกคนได้อีกคนก็ต้องได้อย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งนะก็อิจฉาอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาทันทีนะคนที่เป็นนะผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องปวดหัวแล้วก็เนี่ยต่อมาคือเกียรติของสังคมนะให้ทํางานใหญ่ก็ไม่มีใครให้ทำหรอ นะเกียรของสังคมใครมีพ่วงค้ามชาพวงข้าชาไม่ให้ทำางานใหญ่แน่นอนนะเพราะว่ามันผิดต่อจารีตประเพณีศีลธรรมนี่นะเพราะนั้นผลก็โทบจะเกิดขึ้นมานะต่อคนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นแน่นอนเครดิตนะไปกู้นี่ยืมสินใครก็มีใครให้หรอกธนะนาคารก็ต้องตรวจสอบว่าครอบครัวเป็นยังไงเพื่อนก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นยะังไงเอาเงินไปใช้ทาอะไรนะเอาไปใช้ คนเปลือผู้หญิงเหรออย่างเงี้ยท้ายเจอคือไม่มีใครเชื่อถือเนะครดดิตนะอันนี้ก็คืออยู่ยากในสังคมสุขภาพร่างกายต่างๆนะก็เท่ากับปีนต้นงิ้วนี่เองเนะกาอยู่กัะหนาำมิ้วมันก็ทิ่มแทงนะก็คือพฤติกรรมยังอยู่ไม่เลิกลาสักทีอย่างงี้นะขั้นปีน ล, ลงบอกไม่เอาหรอกเมียน้อยนะปีน ล, ลงปับนะ๊บเมียน้อยกินน้ำใต้ศอก คนที่สองกินน้ําใต้ศอกก็อยู่ล่า ง, างก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าปีน ล, ลงไม่เอามันไม่เลือกก็โดนหนามยิ้วทิ่มแทงโดนหมากัดไม่เอามันมันก็บอกว่าเ อ, อบ้านทํำยังไงล่ะรถจะทำยังไงล่ะลูกในท้องจะทำยังไงล่ะอย่างงี้ย น, นะหรือว่าลูกปืนไหมพี่อย่างเงี้ยในบุคลากรหนูคนเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปีนต้นยิ้ว้ํามยิ้วทิ่มแทงเอานจากพฤติกรรมที่ไม่อยู่ในศีลที่ทำ ชั้นปีนขึ้นไปบอกว่าฉันเอาเธอก็ได้จะอยู่ต่อไปปีนขึ้นกระโดดงามนาม้ำมยโยทิมแทงหนะรือว่าเมียหลวงนะก็บอกว่าอีกาปากเหล็กจิกนะก็คืออีกแก่ที่บ้านหรือเมียหลวงนะมันจิกเอามันบอกว่าเอาไหนเงินล่ะนะไปบ้านนางนั่นไม่ใช่ไหม นี่กี่มงกี่ยามแล้วเข้ามาเนี่ยก็จีกพี่ทําได้หนูก็ทําได้นะประจดประชันขึ้นมาเพราะฉนะนั้นบุคคลที่ละเมิดศีลก็สามผิดศีล ก, ก็สามก็แน่นอนที่สุดก็คือได้ปีนต้นงิ้วเข้าไปแล้วตั้งต้่มีชีวิตนี่แหละไม่ต้องรอตายนะเพราะฉะนั้นตะวันนี้เป็นยังไงก็เชื่อว่านะตามกติของไทยๆนะหลังตายก็เป็นอย่างนั้นนะแน่นอนร้อเร์ เหมือนกก่อนนอนเราคิดอะไรอารมณ์เป็นยังไงหลับไปเราก็ต้องฝันอย่างนั้นนะอารมณ์ที่ฝันก็ใกล้เคียงกับก่อนที่จะนอนหลับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันวันนี้เรารู้สึกตัวพรุ่งนี้มันก็รู้สึกตัววันนี้ดีอยู่ปกติอยู่พรุ่งนี้ก็ปกติอยู่เหมือนกันนั่นแหละกลายไปเรื่องของวันนี้ปัจจุบันกันนะที่มันเป็นยังไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเทวดาหมายถึงนะ อายชั่วกลัวบาปเป็นเทวธรรมมีการให้มีการให้มากกว่ารับเทวดาเป็นอย่างนั้นเมื่าทำอะไรชอบเนลมิตรได้ดังใจมีการกล้าได้กล้าเสียเทวธรรมอายชั่วกลัวบาปแล้วยิ่งให้ก็ยิ่งได้เพราะว่ามันเป็นลนักษณะของบุญอายะสมุทาเมื่อให้ให้ถูกเกิดความสุขขึ้นมานยิ่งให้ยิ่งได้ เร ไ, ได้ความสุขที่เกิดขึ้นมาภายในอันนี้คือเทวธรรมเมตตาพรหมคืออะไรคือไม่ประมาณสัจสาลาสิ่งก้อนหินเม็ดดินเม็ดจายหรือว่าสัพสัตสัรสิ่งหตั้งต่อหน้าและรับหลังก็ยังทำดีอยู่เสมอแล้วก็เป็นลักษณะของยิ่งทำดียิ่งเมตตามันก็ยิ่งควาขวางออกไปมันเหมือนกับเป็นโพธิสัตว์ก็คือลักษณะของจิตที่เป็น ลักษณะการให้รู้ตื่นเบิกบานนะยิ่งใหนะ้ก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเออทั้งโลกมันคือตัวเราและเราก็คือโลกใบนี้เหนะมือนก็เขาก็คือเราและเราก็คือเขานะอภิบัญญาจริงๆอันนี้ก็คือแล้วนะของโพธิสัตวนะ์จิตใจมีเมตตาจนทั้งให้ชีวิตก็ให้ได้ประเภทนี้ให้แม้กระทั่งชีวิตเหนะมือนกับแม่กับลูกแม่รักลูกมากแม่ให้ชีวิตลูกได้นะ ถึงลูกจะฝนตกขนาดไหนแม่ก็งอตัวให้ลูกนะไม่เปียกแม่ยอมป่วยแทนเดี๋ยจะร้อนขนาดไหนแม่ก็งอตัวเป็นล่มปกป้องลูกให้พ้นภัยอย่างนี้นะ่าว่าแต่เราเลยสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นที่กุฏิอาตมาตอนนี้มันมีนกไอตัวนกมันจอกสีเหลืองๆเรียกว่านกบอลลดอต มันออกลูกอยู่สองตัวปกติเป็นนกติ่ไม่เข้าใกล้คนนะแต่ตอนนี้มันทาลังอยู่ติดกับกุตินั่นแหละเสร็จแล้วเราก็เห็นมันมีลูกอยู่สองตัวมันไม่เกงกลัวนมันก็อยู่แล้วคอยดูคอยระแวดระวังให้ลูกนะแล้วมันก็เอาอาหารมาให้ลูกกินลองสังเกต ด, ดูพอเราอยู่ใกล้ๆเขาเนะย แทนที่เขจะบินหนีไปเขาอาปากบอกเตือนว่าอย่ายุ่งกับฉันนะถ้ายุ่งเดี๋ยวจะโดนก็คือกล้ า, าหาญยอมตายมีสัญชาตจายันที่จะปกป้องรูกใพ้นไปมันก็เป็นลนักษณะของสัตว์แล้วก็เป็นโพธิสัตว์ด้วยนะยอมตายแทนลูกได้นีมันก็เหมือนกันสัญชาตจายันมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวทําให้จิตใจจิตวิญญาณเราเป็นพระ ก็คือมันมีแรงใจมันมีกำลังใจถึงร่างกายจะเจ็บจะไข้มันก็ยังมีกำลังใจทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็เกิดปัญญามาเกิดการปล่อยวางขึ้นมาเจ็บก็ไม่เป็นไรร่างกายเจ็บจนะิตใจไม่ได้เจ็บด้วยอย่างเงี้ยกายป่วยใจไม่ได้ป่วยด้วยก็เห็นอย่างนั้นใจก็ปกติมีพลังมีกำลังใจอยู่นะเรียกว่าพระ ก็คือมีแรงมีกล้ามเนื้อของจิตใจนะไปฝ่ายที่จะไม่ทุกข์กล้ามเนื้อของสติของศีลของสมาธิของปัญญามีคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาเป็นความฉลาดไหวพิปฏิพานต่างๆเกี่ยวข้องกับโลกทางพลุตินในทางพระวิ น, นัยนทางธรรมธรรมชาติต่างๆแล้วก็ทางนิตินในต่างๆกรร็คือกาของสังคมชุมชนต่างๆสังคมนิยมนิยมอะไร เราก็ถอรละหได้ภายในไม่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นมาก็กลมกลืนนะเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องขึ้นมานะเะฉะั้นความรู้สึกตัวมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวเฉยๆนะแต่ตอนปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องรู้สึกตัวเฉยๆไปเรื่อยๆลอยได้เห็นนะพบภูมิภายในจิตใจกันนะเป็นเปลก็คืออยากไม่หยอด สัตว์นรกก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นใครโทรสัจจริตออกหน้าออกตาไม่รู้จากระบวนคุณการยุ่งเป็นยังไงนะไม่รู้นะดินรูฟ้านะไม่รู้จักธรนะรมาชาติทั้งหมดนะใต้สึกคือแพ้ภัยอย่างเงี้นะเป็ น, นาของอสุรกายก็คือขี้ขาดตาขาวนะประเภทที่จะพูดอะไรกันมาเลยไม่กล้าแสดงออกอย่างเงีนะ้เป็นต้นนะให้สังเกตดีๆนะเวลาเกี่ยวข้อง ก็คนที่เราไม่พอใจจากเมตตาเกิดอคติขึ้นมามันไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกตรงนี้เราก็ทอรหัสออกมามันเป็นรหัสของกรรมลาดของธรรมชาติต่างๆเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมมันก็ต้องเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงปรากฏออกมาให้เราได้เกิดปัญญาต่างๆไ ม, ไม่ยึดไม่ถือไม่เห็นว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่จะทําให้เราต้องแบก จะต้องเกิดการหมกมุ่นไม่ได้คําตอบจะต้องมามืดไปมืดมาสว่างไปมืดเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นวิธีการหลวงพุทีนเนี่ยมันทําให้เกิดมามืดก็ไปสว่างจะมาสว่างก็ยิ่งสว่างสวัยขึ้นมาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ปีพระองค์ได้กล่าวไว้ชัดผู้ที่เจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องและต่อเ น, นื่องท้ายสุดคือเป็นอนาคามีหรือไม่ก็เป็นพระอรหันต์ไปเลย แต่ว่าหลวงปู่เทียนจีพรพงศ์กล้าท้าทายช้าสุดสามปีมีความรู้สึกตัวถูกต้องและต่อเนื่องมันจะเกิดผลขึ้นมาก็คือไม่ทุกข์ไม่ต้องเรียกว่าเป็นอนาคามีเป็นพระลรหันพระพโสดาบันสติตาคาามีไม่ต้องเรียกเอาเป็นว่ามันไม่ทุกข์ก็พอแล้วอย่างง้นะตอน้องการท้าทายถ้าทำแล้วไม่รู้อะไรน ะ, นะ ถึงกัน้นที่จยอมเสียเงินเสียทองเลยนะเพราะนั้นเราก็มานะปฏิบัติธรรมกันมันก็ต้องเห็นนะพัฒนาการเป็นลําดับขั้นตอนของอารมณ์ปฏิบัตินะที่หลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านพยายามชี้ท่านพยายามที่จะเทศวั น, วนหนึ่งเว้นวันหรือว่าสองวันแล้วมาเทศให้ให้ขณะที่เว้นน่ยนะผมและธรรมาคิดว่าเป็นลักษณะเทคนิคของครูบาอาจารย์พนะ่อพูดมากๆนะครับพูดก็ไม่ได้มีค่าอะไรขึ้นมา พอนานๆมาฟังทีรู้สึกเออแม่ดีจังนานๆฟังทีนึแล้วยิ่งเรานําไปปฏิบัติทุกวันสองวันนะแล้วมาฟังนะมันเกิดการพัฒนาขึ้นมาเหนะมันการพูดอะไรพูดบ่อยๆพูดมากๆมันก็คําพูดไม่มีค่าฟังแล้วก็ซ้ำซากจําเจแล้วฟังแล้วก็เหมือนกับรู้แล้วรู้แล้วมันก็สสกเ ว, ว, ก ว, ว, นะกว้นวักไว้ให้เราไปทำํำนะพอเราทํามันก็มีอารมณ์ปฏิบัติขึ้นมาทั้งก็เห็นแล้วนิมิตมันเปลี่ยนไปแล้วะ ทางประเทศเอารมณ์ต่อไปนะอย่างเช่นว่านะใหม่ๆก็พูดหนึ่งสาี่ห้าพออีกสักพักหนึ่งก็พูดนะ1นบวก1ท่ากับ2พอต่อไปก็พูดนะ1 5, นะก็มีจุดทศนิยมขึ้นมาบางคนก็งงไอ้จุด5้ามันคืออะไรนะจุดศูนมันคืออะไรก็อธิบายนี่คือจุดทศนิยมมันแบ่งเลขหนึ่งเป็น10ส่วนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหนึ่งก็ยังแบ่งได้อยู่ 0.9 0.8 เก้ายนะยังแบ่งได้อยู่ต่อมากลายเป็นเรื่องของบัญญัติตา ย, ยางตีโกนหรูนะ้ว่าสูงๆขึ้นมาก็พูดถึงเรื่องแมทริกซ์ดิเทอร์มนแนนต์แคนคูลัสเนื้อดิฟเฟเรนเชียนต่างๆยังเกิดการเทคโมเมนต์ขึ้นมาเป็นอาชีพการงานวิศวกรรมวิศกรต่างๆองีอง้ก็คือมันเป็นเบื้องต้นทางกลางแล้วที่สุด จนตั้งไม่ต้องทํางานทําการอะไรไม่ต้องคิดอะไรบวกลบคูณหารเลขต่ออะไรก็ไม่ต้องไปคิดเพราะว่ามัง่งคั่งมั่งมีมีเงินมีทองจนทั้งเหลือกินเหลือใช้อันนี้ก็เรียกว่าลักษณะของความเป็นเองเกิดขึ้นมาเนะี่ยเพราะฉะนั้นผมรุดมาพูดจ้านี้เกิเห็นว่าสมควรกี่เวลาเราก็กราบพระพร้อมกัน